พวกเราก็ได้มาทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้ก็ทำกันเป็นกิจที่สำคัญอย่างมากเพราะเป็นกิจที่จะบำบัดทุกความดุงสุขให้แก่จิตใจของเราอย่างแท้จริง กิจกรรมอย่างอื่นที่พวกเราทํากันที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ทําไม่ได้เป็นกิจกรรมที่จะบําบัดทุกบํารงสุขให้แก่จิตใจของเราแต่เป็นกิจกรรมที่จะสร้างความทุกข์ทำลายความสุขให้กับเรา แต่พวกเรามักจะไม่ค่อยฟังคําสอนของนักปราชอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพวกเราชอบฟังคําสอนของกิเลสตัณหาเช่นชอบฟังคําสอนของกาลมาฉันทะที่สอนให้พวกเรานี่ยเสกกามกัน เสบรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะกันเสีบแล้วพวกเราก็มาร้องห่มร้องไห้กันมาเศร้าโศกเสียใจกันเวลาที่ไม่สามารถที่จะเสบได้หรือเวลาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะให้เสบกันเป็นเพราะว่าพวกเราอย่างไม่ได้ ศึกษาพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างส ม, สม่ําเสมออย่างตอ่อเนื่องนั่นเองพวกเรานานๆจะฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งพอฟังแล้วไม่นาน <c oughs> ก็ลืมไปหมดแล้วก็กลับไปฟังคําสอนของกา마ฉันทะ อตัณหาความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้หรืออยากไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาทุกทรมานใจกับความอยากของเราเพราะอยากแล้วไม่ได้ดังใจ ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีคำสอนคอยเตือนใจให้พวกเราดีปฏิบัติกิจที่เราควรจะปฏิบัติกันกิจที่พวกเราเพ่งปฏิบัติก็คือการออกจากกามสุขนี่เองที่เรียกว่าเนธขมมะ ที่พวกเรามานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปดปลีกวิเวกอยู่ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสปธภะะก็เป็นการปฏิบัติในธรรมะนี้เองคือการออกจากกรามสุขไม่หาความสุข จากการเสกรูปเสียงกลิ่นรสผภั์ชนิดต่า ง, างๆแล้วก็มาเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อทำใจให้สงบระ ง, งับความอยากต่างๆพอใจสงบแล้วความอยากหายไปแล้วความสุขใจก็เกิดขึ้นเกิดจากอุเบกขาคลือนความ น่งเฉยความไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอันนี้แหละคือกิจที่พระพุทธเจา้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำกันให้มากมากเพราะถ้าเราทำได้แล้วเราจะบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจของเรา ได้อย่างแท้จริงและถาวรแต่เรามักจะไม่ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องเราอาจจะมาถือศีลแปดมาเจริญเนคขมะกันเป็นภพคๆเป็นช่วงๆมากบ้างน้อยบ้าง <c oughs> ตามกำลัง ของแต่ละคนถ้ามีกำลังมากก็จะสามารถจเจริญเนคขมะได้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอก็คือได้บทแบบไม่เสึกกันรักษาศีลแปดก็ไม่ไม่เลิกรักษารักษาไปจนวันตาย ถ้ามีกำลังน้อยก็จะรักษาได้ช่วงสั้นๆเริ่สั้นบ้างยาวบ้างแต่จะไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างถาวรถ้าไม่สามารถรักษาศีลแปกไม่สามารถจเจริญเนคขมะไม่สามารถจเจริญสติสมาธิและปัญญาได้อย่าง ต่อเนื่องก็จะไม่สามารถที่จะบำบัดทุกบำนุงสุขให้ได้อย่างถาวรก็จะได้เป็นช่วงๆเป็นพักๆไปช่วงไหนที่มีการเจริญเนคขมะมีการรักษาสีแปดมีการ <c oughs> ภาวนามีการเจริญสติเจริญสมถภาวนาเจริญวิปัสนาภาวนา ช่วงนั้นใจก็จะมีความสงบแต่ในขณะที่จระิะนั้นย่อมเป็นความทุกข์เป็นธรรมดาเพราะก่อนที่ใจจะสงบได้ก็ต้องต่อสู้กับกามชันทะต่อสู้กับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธพะ <c oughs> ที่ยังมีฝังอยู่ในจิตใจที่ออกมาต่อต้านกับการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาออกมาต่อสู้กับการรักษาศีลแปดช่วงนั้นก็เป็นเหมือนช่วงเวลาที่นักมวยขึ้นเวทีนั่นเองจะเป็นช่วงที่จะต้อง เจ็บตัวกันจะต้องทุกจะต้องทรมานใจเพราะว่าจะต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของตนแต่พอคู่ต่อสู้ได้ถูกโชคให้ดมลงไปนับสิบแล้วตอนนั้นน่ะถึงจะเป็นเวลาที่ได้พบกับความสุขได้บําบัดความทุกข์ ให้หมดไปได้ช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่จิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเป็นเ อ, เนเอ ก, กตาตาลมเป็นอุเบกขามีความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้คือนัตติสันติ นัตติสันติบาลังสุ ข, ขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบความสงบที่เกิดจากการได้ชนะกามฉันทะได้ทําใจให้นิ่งให้หมดให้ยุติกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะ อันนี้เป็นงานที่หนักสําหรับผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติเพราะคู่ต่อสู้นี้เขาเป็นแชมป์ของแชมป์มาเป็นเวลาอันยาวนานส่วนผู้ท้าชิงแชมป์นี้เป็นมวยหัดใหม่มวยเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ซึ่งกว่าจะเอา ช, าชนะชิงแชมป์ได้นี้ก็จะต้องฝึกฝน ซ้อมลบอยู่นานพอสมควรจนกว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้คือแชมป์ได้แล้วก็คว้าแชมป์มาเป็นของตนได้ก็จะต้องแพ้ไปก่อนในช่วงแรกๆจะต้องเจ็บตัวไปก่อนถูกนับแปดบ้างนับสิบบ้างแต่ถ้าตราบใดไม่ยอมแพ้ ถึงแม้ว่าแพ้ยกนี้พอยกหน้าก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อใหม่สู้ไปเรื่อยๆแล้วกาลังก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งก็จะล้มคู่ต่อสู้ล้มแชมได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้มาก่อนพระอาหลานตสาวก ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้มาก่อน <c oughs> ถูกกิเลสถูกกามว่าฉันทะล้มอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ยอมถอยพยายามลุกขึ้นมาสู้ใหม่สู้ไปเรื่อยๆสู้ไปจนในที่สุดก็ชนะพอชนะแล้วก็ได้ครองแชมป์เป็นแชมป์อย่างท้าววอนไม่มี กามชันทะมาลบกวนจิตใจมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขที่เป็นปรมังสุขขังนี่คืองานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทาจนสาเร็จแล้วงานที่พาาระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ทาจนสาเร็จแล้วแล้วจึงได้มอบหมาย ให้กับพวกเราที่มีศรัทธามีความเชื่อที่มีความปรารถนาที่อยากจะได้เป็นแชมป์เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอรันพระอรหันตาสาวุกมันจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่พวกเราจะต้องฝึกซ้อมวิธีต่อสู้กับ ฆ่าศึกศัตูต่อสู้กับแชมป์ที่เราต้องการที่จะล้มให้ได้เราจึงต้องมีความเพียรมีความพยายามมากเราจึงต้องปฏิบัติมากต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอไม่ย่อท้อไม่หยุดหย่อน จะพักก็ตอนที่หลับไปเท่านั้นถ้าตื่นขึ้นมาก็ต้องตั้งการไว้เลยการของเราก็คือสตินี่เองพอเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือตั้งสติเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องมีสติแล้วเลือกรู้อยู่ว่าตอนนี้ ใจของเรากาลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าคิดเราก็ต้องหยุดมันจะหยุดด้วยการบริกรำคาพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะหยุดหยุดด้วยการเฝ้าดูร่างกายก็ได้เช่นเวลาลืมตาขึ้นมาร่างกายกำลังนอนอยู่ก็ให้มีสติรู้อยู่ว่าตอนนี้กำลังนอนอยู่ แล้วพอจะลุกขึ้นมาก็ให้รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมาพอยืนขึ้นมาก็ให้รู้ว่ากำลังยืนขึ้นมาพอเดินเข้าไปในห้องนะ้ไปทำกิจกรรมต่างๆก็ให้รู้อยู่กับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าใจยังคิดได้อยู่ ก็ต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธดึงใจให้กลับมาอยู่กับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่กำลังล้างหน้ากำลังอาบน้ากำลังแปรงฟัน <c oughs> กำลังเช็ดตัวกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวให้เฝ้าอยู่กับกิจกรรมของร่างกายทุกขณะนาทีนี่เรียกว่ากายกตาสติ คือมีใจมีร่างกายเป็นที่ตั้งของสติสติจดจอ่ออยู่กับร่างกายตลอดเวลาหรือถ้าเราใช้บริกรรมพุทโธพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติเราต้องจดจอ่ออยู่กับพุทโธอยู่อย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ ใจนี้หนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราตอนนี้เป็นเหมือนนับโทษที่เราเผอไม่ได้ถ้าเผอแล้วใจก็จะแอบไปหาการมฉันทาทันทีจะไปิึดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีวันนี้จะกินอะไรดีจะเดิมอะไรดีจะดูจะฟังอะไรดี แต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องกา ร, รมจฉาใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วพอเราไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรเราก็นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธต่อไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ดูลมหายใจก็เหมือนกับดูร่างกายลมเข้าก็ให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าลมออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปควบคุมลมให้เฝ้าดูเฉยๆเหมือนเวลาเรานั่งดูทีวีเราไม่ได้ไปบังคับทีวีให้เป็นภาพนั้นเป็นภาพนี้เรานั่งดูเฉยๆดูลมเฉยๆ ลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวว่าลมหายไปแล้วจะตายตราบใดที่ยังมีสติระ ล, ลึกรู้อยู่ตราบใดที่ร่างกายยังนั่งเฉยๆอยู่นี่ ไม่ตายลมละเอียดจนไม่สามารถที่จะจับลมได้เท่านั้นเองถ้ารู้อย่างนี้แล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ควาสมสงบในลำดับต่อไปได้ถ้าตกใจกลัวใจก็จะถอนออกมาลมก็จะหยาบขึ้นก็จะสัมผัสรับรู้ลมได้ใหม่ แต่ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะแทนที่จะเดินเข้าหาความสงบก็เดินถอยหลังออกมาเพราะความกลัวกลัวตายกลัวว่าไม่มีลมแล้วจะตายไปแต่ความจริงผู้ที่นั่งสมาธิด้วยการดูลมหายใจเข้าออ ก, อกนี่ไม่มีใครตายกันมีแต่ใจจะรวมเป็นหนึ่ง เป็นเอกขัตอารมณ์เป็นอุเบกขาถ้ามีสติจดจ่อให้รู้อยู่กับความจริงให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีลมก็ให้รู้อยู่กับความว่างไปให้ดูว่ามีความคิดโผล่ขึ้นมาหรือไม่ถ้ามีความคิดก็ต้องหยุดด้วยสติให้รู้ปั๊บพอรู้ว่ามีความคิดมันก็จะหยุดคิดทันที แล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ในลำดับต่อไปเวลาใจสงบแล้วก็ปล่อยให้สงบไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะสงบนานหรือไม่นานนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไม่ต้องทำอะไรในขณะที่ใจสงบเวลานั้นเป็นเวลาให้เสพความสุขของความสงบ ซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่ต้องไปกังวลกับภารกิจการงานอย่างอื่นที่จะต้องไปทําถึงแม้ว่าเป็นเวลาที่จะต้องไปทําแต่ถ้าใจยังไม่ออกจากความสงบก็อย่าไปเด่นออกมาไม่มีอะไรมีคนณค่าเท่ากับความสงบนี้ปล่อยให้อยู่ต่อไปจนกว่าจะอิ่มตัว แล้วก็จะถอนออกมาพอถอนออกมาแล้วถ้าอยากจะพิจารณาทางปัญญาก็พิจารณาได้ในตอนนั้นเลยพอใจเริ่มคิดปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเร่องนี้ก็ให้มาคิดในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาจะคิดอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ได้ ทิจนาว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพระนี้ไม่เที่ยง <c oughs> มีมามีไปเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขามาสั่งให้เขาไปไม่ได้เช่นรูปที่เราเห็นมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาเราเห็นรูปที่ดีถ้าเรามีความอยากให้เขาอยู่กับเราพอเขาไม่อยู่เราก็จะเกิดความทุกข์ใจ เช่นเวลาได้พบได้อยู่กับคนที่เรารักเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่พอเขาไม่อยู่เขาต้องจากเราไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือถ้าเราไปเห็นรูปที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้หายไปเร็วๆแต่เขาไม่หายไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้ไปควบคุมเขาได้เขาเป็นธรรมชาติที่ทำมาจากดินน้าลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเราไปหลงกับสมมุติที่เราตั้งชื่อเขาว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆ แล้วก็ไปมีความผูกพันอยากจะให้เขาอยู่กับเราหรืออยากจะให้เขาจากเราไปพอเราไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่เรียกว่าทุกขังทุกขขังเพราะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนัตตาก็จะไม่มี ความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้อยู่กับเราหรือให้ไปให้ไปพ้นจากเราเราก็จะไม่มีทุกขังนี่คือการพิจารณาทางปัญญาที่เกี่ยวกับรูปเสียงกิริลดโภตภะเวลาสัมผัสกับรูปเสียงกิริยลดโัตภะก็ให้สัมผัสด้วยใจที่เป็นกลางปล่อยวางถ้าไม่อยากจะทุกข์ ถ้าเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลธัชพะขึ้นมาเห็นรูปแล้วก็อยากจะได้เห็นกระเป๋าสวยๆก็อยากจะได้เห็นรองเท้าสวยๆก็อยากจะได้เห็นอาหารเห็นขนมนมเลยเห็นเครื่องดื่มน่าดื่มน่ารับประทานก็อยากจะดื่มอยากจะรับประทานก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเ <c oughs> พราะถ้าไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา หรือถ้าได้เดิมได้รับประทานก็จะติดก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกก็จะสร้างพาราผูกพันให้ติดอยู่กับลูกเสียงกิเลสก็เลยจะทำให้ใจไม่สามารถกลับเข้าสู่ความสงบได้ถ้าตามใดมีการมฉันธาเกิดขึ้นมาหล่ยตามนั้นความสงบก็จะถูกทำลายไปหายไป ถ้าอยากจะรักษาความสงบรักษาความสุขที่ได้จากความสงบ ก, ก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผดทปะพอไม่มีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพพะคือไม่มีการมาฉันทะใจก็จะเป็นอุเบกขา ใจก็จะปล่อยวางจะนิ่งเฉยจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเวลาที่ได้เสกได้สัมผัสก็จะไม่มีความตื่นเต้นดีอกดีใจหรือเสียอกเสียใจแต่ประการใดจะสักแต่ว่ารู้เฉยๆเท่านั้นนี่คือการเจริญปัญญาเพื่อที่จะทำให้ใจหยุดกามชันทะ หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือการเจริญปัญญาต้องเจริญหลังจากที่จิตออกจากความสงบมาในขณะที่จิตสงบอย่าไปเจริญเพราะว่าจะไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับกามฉันทะได้ ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าใจไม่มีกำลังไม่มีอุบเบกขาพอก็จะสู้กามาฉันทะไม่ได้แต่ถ้าใจแช่อยู่ในสมาธิได้นานอุบเบกขาก็จะมีกำลังมากพอออกมาจากสมาธิก็จะมีกำลังต่อสู้กับกามาฉันทะได้ถ้าออกมาแล้วสู้ไม่ได้ ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่พยายามทำสมาธิให้นานขึ้นอยู่ให้ได้นานขึ้นให้แน่นขึ้นให้หนักขึ้นให้ใจมีน้ำหนักเหมือนกับ น, นัามวยที่ชกน้าหนักยังหมัดยังไม่หนักพอต่อยคู่ต่อสู้เท่าไหร่เขาก็ไม่รู้สึกมึนงงแต่อย่างใดอันนี้ก็ต้องมาสร้างน้าหนักให้กับหมัดเช่นต้องยกน้าหนัก ยกน้ำหนักให้มากขึ้นเพื่อให้แขนและมือมีกำลังมากขึ้นนักบวชนี่ก็ยังต้องยกน้ำหนักกันเพราะถ้าไม่ยกน้ำหนักหมัดของเขาจะไม่หนักแต่ถ้ายกน้ำหนักได้หนักมากเท่าไหร่หมัดของเขาก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นเช่นเดียวกับสมาธิถ้าสมาธิเป็นเพียงขณิกะ น, นี้เข้าไปตั้งเดียวแล้วก็ออกมา อันนี้จะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหรจะต้องเป็นอัปปนาต้องแช่อยู่ไปสักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งออกมาก็ออกมาเดินจงกรมมารักษาสมาธิไว้ก่อนด้วยการเจริญสติต่อเฝ้าดูร่างกายหรือบริกรรมพุทธโธไปแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิกลับเข้าไปใหม่ แช่อยู่ในสมาธิชั่วงโมงทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสมาธินี้มีกําลังมากอุบเบกขามีกําลังมากแล้วทีนี้ก็มาลองพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเสียงเก่งนสดพลดถภาดูแล้วก็เวลาเกิดความอยาก ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑเกิดการมัจฉันทะขึ้นมาก็ดูว่าจะหยุดได้หรือเปล่าเช่นการปฏิบัติของเราในปกติเรารับประทานวันละครั้งได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเราดื่มแต่น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวได้หรือเปล่าหรือเรายัางต้องดื่มน้ำที่มีรสชาติรูปเสียงกลิ่นรสหรื อ, อยังต้องกินขนมนมเนย หรออยังต้องดูต้องฟังดูสิ่งนั้นฟังสิ่งนี้อยู่ยังเสษรูปเสียงกลิ่นรสอยู่หรือเปล่าถ้ายัางเสษอยู่ก็แสดงว่าเรายังละกามฉันทะไม่ได้ถ้าเราละกาาฉันทะได้เราก็จะ <c oughs> ไม่มีความหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสปุตตะภาถ้าเป็นกามฉันทะที่เรียกว่าเป็นกามราคะ คือความอยากเสพการ์คืออยากร่วมหลับนอนกับกับคนที่เราลักเราชอบเราก็ต้องพิจารณาอสุภะคือต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายถ้าเรามองเห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายเช่นตอนที่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากหวีผ้าหวีผม สนองตาสดใส เ, ออเห็นแล้วก็จะเกิดการมัลมขึ้นมาได้เราก็ต้องมองขณะเวลาที่เขาไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวเช่นเวลาที่เขาเตื่นขึ้นมาออขี้ตายังติดอยู่เข้าผมยังยุ่งอยู่ปากยังเหม็นอยูเออ่เสื้อผ้าก็ยู่ยยับ อ, อ, อย่างนี้ก็จะ ทำให้เราคลายการมางลมได้ถ้ายังไม่คลายก็ต้องมองให้มากไปกว่านั้นมองส่วนที่เป็นปฏิกูลที่เขาขับถ่ายออกมาเวลาเขาเข้าห้องน้ำเขาเข้าไปทำอะไรเขาไปขับไปถ่ายอะไรหรือเวลาที่ร่างกายเ้ามีเหื่อท่ายออกมาส่งกลิ่นเหม็นอย่างนี้หรือเวลาที่ร่างกายเขาตายไป หรือแก่เหิวหนังเหิยวยนผมขาวหลังคอมแล้วยังเรายัางมีาอารมณ์อยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ต้องมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังมองหนังให้เป็นเหมือนทําหนังให้เป็นเหมือนถุงทราสติกเราจะได้เห็นอวัยวะต่างๆที่ที่หนังหุ้มห่อเอาไว้เช่นโครงกระดูก ตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมาถึงถึงเท้ามองเห็นอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับไตลำไส้สมองสิ่งต่างๆที่ถูกปกปิดไว้ด้วยด้วยร่างด้วยผิวหนังทำผิวหนังให้ใสเป็นเหมือนถุงพลาสติก ด้วยการไปเปิดดูหนังสือที่แสดงอวัยวะต่างๆหนังสือของนักศึกษาแพทย์ก็ได้ที่เขาต้องศึกษาดูอาการต่างๆของร่างกายแล้วก็เอามาคิดอยู่เรื่อยๆนึกถึงอยู่เรื่อยๆจนจำได้หลับตาก็เห็นหลืมตาก็เห็น เวลามองเห็นร่างกายที่แต่งกายอย่างสวยงามก็จะมองทะลุเข้าไปมองทะลุหนังเข้าไปได้ก็จะเห็นว่ามีแต่อวัยวะต่างๆที่ไม่สวยงามเลยนี่ก็คือเป็นการมัชันธาอีอย่างแต่เราเรียกว่าการมาราคะคือความอยากเสก <c oughs> สัมผัสกับร่างกายของผู้อื่นถ้าเห็นว่าร่างกายของผู้อื่นนี้ไม่สวยงาม น, น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงเช่นเวลาร่างกายนี้ตายไปไม่ไม่หายใจปล่อยทิ้งไว้สองสามวันมันก็จะขึ้นอื่นขึ้นมาบวมขึ้นมาเวลานั้นยัง คิดอยากจะเสพอยู่หรือเปล่าผิวหนังนี่กลายเป็นสีดำค้ำไปเขียวช้ำไปเห็นแล้วก็จะเกิดความผะอืดระอมขยะขยะนี่คือสภาพของร่างกายที่เรียกว่าอสุภะไม่สวยงามอยากไปมองตอนที่แต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วใส่เสื้อผ้ออาอภรรสวยงาม มองเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างมองเวลาที่ตายบ้างมองเวลาที่แก่บ้างมองเข้าไปข้างในบ้างถ้ามองอย่างนี้แล้วก็จะดับการอารมณ์ได้นี่คือเรื่องของการละกามอารมณ์ละกามัชชะนทะละละกามาราคะ ที่มีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติทุกคนถ้าไม่มีกามราคะอยู่ในใจก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันผู้ที่ละกามราคะละกามฉันละได้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมกันผู้ที่ยังมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนี้ ก็ยังเป็นผู้ที่ยังเสกกรรมอยู่เพราะนี่คือโลกของเรียกว่าการมาภพนั่นเองการมาภพเกิดที่อยู่ของเทวดาของมนุษย์ของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกต่างกันตรงที่ว่าผู้ที่เป็นมนุษย์ผู้ที่เป็นเทวดานี้ไม่ได้ทำบาปผู้ที่ทำบาปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต ไปตกนรกแต่ก็หลังจากหมดบุญหมดกรรมหมดบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่แต่ถ้าสามารถละกามมาฉันทะได้ละกามมาราคะได้ตายไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกรรมภพนี้ ไม่ต้องมาเป็นเทวดาไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นเดรัจฉานไม่ต้องมาเป็นเปรตไม่ต้องตกนรกจะไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปในภพของพรหมจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้บรรลุพระนิพพานไปพอถึงพระนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นพรหมอีกต่อไป ถึงแม้เป็นพรมก็ยังถือว่ายังอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ยังมีความทุกข์อยู่แต่ถ้าได้ไปถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้ถึงขั้นพระนิพพานอันนั้นจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เพราะจะหลุดพ้นจากอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่คืองานของพวกเราที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้กับพวกเราด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีเพราะถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้เราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้เราจะมีแต่ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด ไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเรามีกันในขณะนี้ความสุขที่เราได้รับจากการเสพ ร, รูปเสียงกิน่นรสผลิตภัณฑเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้เสพก็มีความสุขพอเสพแล้วความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วก็เกิดความอยากเสพขึ้นมาใหม่ถ้าได้เสพก็จะได้ความสุขใหม่อีกแต่ถ้าไม่ได้เสพ ก็จะได้ความทุกข์ตามมาเวลาได้ความทุกข์ถึงจะรู้รสชาติรู้จักพิษของการมฉันทะว่ามันโหดร้ายทารุณเพียงไรเช่นคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพยาเสพติดนี่จะทุกข์ทรมานขนาดไหนคนที่เคยดื่มสุราแล้วไม่ได้ดื่ม คนที่สูบบุหรีแล้วไม่ได้สูบคนที่ได้ดืม่มเครื่องดืม่มที่โปดปรานเช่นกาแฟก็ดีหรือเครื่องดื่มชนิดไหนก็ดีพอไม่ได้ดื่มแล้วจะรู้สึกอย่างไรนี่คือโทษของกามฉันทาโทษของกามราคะที่พวกเราไม่ได้พิจารณากัน ถ้าได้พิจารณาแล้วก็จะทำให้เรากลัวจะไม่กล้าเสก จ, จะไม่อยากจะเสกถ้าเห็นว่าการมาฉันทะการมาราคะนี่เป็นทุกข์ขังเพราะว่าเป็นอนิจจังไม่แน่นอนเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ไม่เหมือนกับไปร้านไปสั่งก๋วยเตี๋ยวได้แต่บางวันก็สั่งไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวก็หมดก็มีไปไปสายไปไม่ทันก๋วยเตี๋ยวก็หมดได้ เครื่องดื่มกาแฟาก็หมดได้เวลาสั่งแล้วไม่ได้เวลานั้นนะก็จะทุกข์ขังขึ้นมาเพราะเป็นอนัตตา <c oughs> แต่ถ้าไม่หิวไม่อยากไม่มีการมาฉันทะก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องสั่งกาแฟไม่ต้องสั่งกว๋วยเตี๋ยวมีอะไรก็กินตามมีตามเกิดหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่า น้ำเปล่านี่ไม่มีวันหมดหาได้มีเยอะแยะไปที่ไหนก็มีตลอดเวลาอดังนั้นขอให้เราเห็นโทษของกามฉันทะของของกา ร, า, ราคะของตัณหาของความอยากต่างนอกจากกามาตัณหาหรือกา ร, า, ราคะกามฉันทะแล้วก็ยังมีตัณหาอีกสองข้อที่ เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกันก็คือภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นตอนนี้อยากให้บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายพอไม่ได้ดังใจก็ไม่สบายใจกัน กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกันแต่คนที่ไม่มีความอยากเขาก็ไม่เดือดร้อนบ้านเมืองจะสงบไม่สงบก็ถือว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอนัตตาก็คือเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้ทุกคนกลับบ้านกลับเข้าไปสู่ความสงบไม่ได้กลับไปธรรมากินตามปกติกันไม่ได้เขาต้องออกมาโวยวายกันนะ ออกมาต่อสู้กันเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีมีปัญหาด้วยกันต่างฝ่ายต่างอยากอยากจะได้ผลประโยชน์ก็เลยต้องออกมาต่อสู้กันแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องของอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้เราอย่าไปวุ่นวายกับเขาดีกว่า เขาอยากจะได้อะไรใครอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยก็อยากไปจะได้ให้เขาทุกข์กันอย่างเต็มหัวใจกันเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะไม่ทุกข์ราดบใดมีกามตันหามีภาวะตันหามีวิภาวะตันหาภายในใจมันจะต้องทุกข์แน่นอนเพราะมันจะต้องไปอยากกับสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเข้าสักวันหนึ่งอยากแล้วไม่ได้ดังใจ หรือได้มาแล้วก็สูญเสียไปมันก็จะต้องทุกต่อไปอยู่ดีแล้วเราไม่ต้องทำอะไรหรอกใครอยากได้อะไรปล่อยเขาอยากไปสิ่งที่ก็าได้แน่นอนที่สุดก็คือความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากกับเขาเรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาดีกว่าแล้วเราก็จะสบายใจ ใครจะวุ่นวายอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาที่วุ่นวายกันก็เพราะว่าไม่มีอุบเบกขากันไม่นั่งสมาธิกันพอไม่นั่งสมาธิความอยากมันก็ออกมาเพ่นพ่านกันมันก็เลยไปแก่งแย่งชิงดีกันไปต่อสู้กันไปกัดกัน <c oughs> เป็นแผลเบื่ว ะ, วะเห็นสุนัขเดือนเก้าไหยสุนัขเดือนเก้าเวลามันเกิดการมฉันทะกันเนี่ยเกิดกามราคะกัน มันกัดกันมันแย่งกันว่ามันอยากจะเสพกลามกันหนังถลอกปอกเปลือกกันไปแล้วความสุขที่ได้จากการเสพกลามก็ได้เพียงแวบเดียวแล้วก็หมดไปแล้วก็อยากจะเสพใหม่นี่คือการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะดับภาวะตัณหาได้เราจะไม่อยากได้ เราจะไม่อยากเป็นอยากมีอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเราสั่งเขาไม่ได้เป็นไปไม่ได้เสมอไปอาจจะได้บางเวลาแต่ความอยากของเราจะไม่หมดไปกับเวลาที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้มาได้มาแล้วก็อยากจะได้ใหม่มันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่จะต้องไปเจอสิ่งที่เราจะไม่ได้ดังใจ พอไม่ได้ดังใจแล้วก็จะต้องทุกข์กันเลือภาวะวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายก็มันก็มันก็วุ่นวายของมันอยู่เรื่อยๆมันก็สลับกันไปสลับกันมาสามวันดีสี่วันไข่บางช่วงก็สงบบางช่วงก็วุ่นวายหรือ ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันไม่อยากให้มันแก่ก็ไม่ได้ไม่อยากให้มันเจ็บก็ไม่ได้ไม่อยากให้มันตายก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันมันเป็นอนัตตาเรามองไม่เห็นอนัตตากันเรามองไม่เห็นอนิจจังกันเราจึงทุกข์ขังกันเพราะว่าอยากจะให้สิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นนิจจังสิ่งที่เป็นอนัตตาให้เป็นอัตตา เพอให้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเป็นไปตามความอยากของเราใจของเราจึงทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจใช้อนิจจังทุกขังอนัตตานี้รักษาได้ทุกโลกเลยเหมือนกับยาหม่องใช้ได้กับทุกโลกเลย มียาหม่องคันตรงไหนก็ทามันมีแผลก็ทามันมีอะไรก็ใช้มันยาหม่องนี้เป็นยารักษาได้ทุกโรคฉันใดอนิจจังทุกขังอนัตตาก็รักษาได้ทุกโรคเลยความไม่สบายใจความทุกข์ใจนี้เกิดจากการที่เรามองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองพออยากได้อะไรถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตต์เราก็จะหยุดการอยากได้ คือการบำบัดทุกบำบุงสุขที่แท้จริงถ้าเราเห็นทุกอย่างแป่ น, นั้นจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาใจของเราจะไม่มีความอยากกับอะไรเพราะเราไม่อยากจะทุกนั่นเองถ้าอยากขึ้นมาปั๊บก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีแต่การที่จะทา ตามที่เราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเราก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขามากๆถ้าอุเบกามีไม่มากก็จะสู้ความอยากไม่ได้ถึงแม่รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังอยากอยู่นั่นถึงแม้จะรู้ว่าเป็นอนุสุพภะก็ยังอยากอยู่นั่น <c oughs> แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะสงบใจจะอิ่มจะพอจะไม่หิวจะสู้กับ ความอยากต่างๆได้ดังนั้นเราจึงต้องมีทั้งอุเบกขาต้องมีทั้งปัญญาคือมีอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามีแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ภายในใจเราเลยนี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรามาบำเพ็ญมาปฏิบัติกัน เราต้องพยายามทำให้มากผลที่เราได้ทุกวันนี้มันน้อยก็เพราะเหตุมันน้อยเหมือนกับตักน้าใส่ตุ่มอยากจะให้มันเต็มตุ่มแต่อาทิดหนึ่งมาตักขันหนึ่งอย่างนี้มันกว่าจะเต็มมันก็ต้องใช้เวลานานแต่ถ้าลองตักอย่างต่อเ น, นื่องชั่วโมงหนึ่งมันก็เต็มแล้วน้ำในตุ่มนี่ตักมันไปเรื่อย เดี๋ยวเดียวก็เต็มแตถ้าอาทิตย์หนึ่งมาตักขันอย่งนี้มันก็นานอาจจะไม่ไม่มีวันเต็มเพราะมันจะละเลยไปก่อนไป <c oughs> ใส่ไปครันหนึ่งอาทิตย์หน้ากลับมาไอขันที่เราใส่เข้าไปนะั้นมันก็ละเลยหมดไปแล้ว <c oughs> นี่คือการปฏิบัติของพวกเราจึงไม่ค่อยออกจึงไม่ค่อยปรากฏผลขึ้นมาเท่าไหร่ถ้ามีก็มีเล็กน้อยแล้วก็หายไป พอได้ผลแล้วก็ไปออกไปวุ่นกันเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดธาตุละวุ่นกับคนนั่นวุ่นกับคนนี้ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดธาตุละรุ่นวุ่นกับเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาระวุ่นกับเรื่องของร่างกายก็เป็นวิภาวะตัณหาไปวุ่นกับมันทําไมยิ่งไปวุ่นมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่เหมือนก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เราต้อง ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้หยุดความอยากทั้งหมดให้ได้จะหยุดได้ก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติแบบมืออาชีพไม่ใช่เป็นแบบมือสมัครเล่นพวกสมัครเล่นนี่เขาก็ปฏิบัติช่วงเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันธรรมดาเขาก็ไปทำมาหากินไปทำงานทำการอย่างนี้ก็จะสู้พวกมืออาชีพไม่ได้พวกมืออาชีพนี้เขามี มีหน้าที่ Christmas, ปฏิบัติอย่างเดียวเขาไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นเขาปฏิบัติเขาถึงบรรลุได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่ส่วนพวกมือสมัครเล่นนี้ก็ไม่มีวันที่จะบรรลุภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลเราก็ต้องดูเหตุว่าเหตุของเราเป็นอย่างไร ผลขอเราได้อย่างไรมันก็สอดคล้องกับเหตุของเรานั่นแหละดังนั้นถ้าอยากจะได้ผลมากกว่าที่เราได้อยู่ในขณะนี้เราก็ต้องเพิ่มเหตุให้มันมากขึ้นไปไม่มีใครทำแทนเราได้มันเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโท <c oughs> เป็นเรื่องของความบังคับใจตัวเองให้ทำภารกิจที่ต้องทำถ้าคอยผัดวันประกันพรุ่ง มันก็จะทำให้ยืดเยื้อเนิ่นนานและไม่เกิดผลขึ้นมาอยู่ที่ตัวเราที่เราจะต้องคอยควบคุมบังคับคอยควบคุมคอยสอนใจคอยปลุกใจให้เกิดมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะก็คือให้มีความพอใจมีความยินดีดกับการปฏิบัติให้มีวิริยะคือความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติให้มีจิตตะจิตตะก็คือให้มีใจตั้งมั่นอยู่กับการปฏิบัติไม่วอกแวกไม่ล้มไปล้มมาปฏิบัติครั้งสองครั้งวันสองวันแล้วก็ล้มหายไปกลับมาอีกทีก็อาทิตย์สองอาทิตย์หรืออีกเดือนสองเดือนต้องให้มันตั้งมั่นอยู่ ก, การปฏิบัติวิมังษาก็ใจก็ต้องไข้ควรคิดอยู่กับเรื่องปฏิบัติเพียงอย่างเดียว ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่คิดถึงเหตุการกระทําอย่างอื่นให้คิดถึงแต่เรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นถ้าเรามีจิตตวิมังสามีฉันทะวิริยะแล้วการปฏิบัติของเราก็จะต่อเนื่องจะสม่ำเสมอแล้วก็จะสําเร็จได้ใ น, ในที่สุดจึงขอฝากเรื่องของการมาปฏิบัติ ภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กับพวกเรานี้ให้พวกเรานําเอาไปปฏิบัติกันอย่างจริงจังให้ปฏิบัติด้วยอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วผลอันเดอรอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลมัน แยกกันไม่ได้ถ้ามีเหตุมันก็มีผลถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผล <c oughs> การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยเยาถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการัง เอวเมวะอิโตทินังเปตังนังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัเพกรเอนตุสังกปะจันโทปนาหราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพโรโควินัสตุ มาเตผวะตะวันตารายยสุขีทีคายุโกผวะอาภิวาตนาสีฤทธะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธ si ัมมวาทานติอายุวันโสุขังภาลัค ยังไม่ได้หนังสือซีดีก็เชิญมาหยิบได้ใครอยากจะถวายของก็เข้ามาได้ใครอยากจะถามปัญหาก็ถามได้ถ้ามีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตก็ถามมาได้ว่ามาไม่ไ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด้ไม่ได้หนูมังคามระจหรือว่าทำบุญหรืออะไรเงี้ยจิ มันจะแบบมันติดหน้ามันจะฟูมากจนมีความรู้สึว่ามันมันสุดโต่งเกนมากเกนไปใชค่ะทุกคนจะดึงกับมาให้อยู่กลางๆใช่มค่ะเพื่อจะปล่อยให้เขาดงถ้ามันเป็นแล้วมันหายไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันละมันเป็นปฏิกิริยาของใจต่อบุญที่เราทำเพียงแต่ยาไปติดมันนั่นเองอย่าเวลามันซาดไปแล้วก็อย่าจะให้มันฟูใหม่ถ้าอยากจะฟูใหม่ก็ต้องทําใหม่ แต่ไม่ต้องไปห้ามมันหรอกมันไม่เสียหายมันไม่เป็นอันตรายแต่อย่างไรอย่างเช่นคือว่าบุตรตาติมาก็อยู่กัพุทโธก็ก็ใช้คำว่าคำพุทโธก็มานามจะได้มันเหมือนพุทโธไปแล้วหายพุทโธหายแต่ว่ามันมาจากที่ไกลเพื่อหม่ยแทนสองอย่างนี้ใช่คู่กันไปได้ได้ได้ตาบไดที่ใจไม่ลอยไปที่อื่นให้อยู่กับพุทโธก็ได้ให้อยู่กับร่างกายก็ได้ ไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ไปไปในอดีตไม่ให้ไปในอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้ว่างอาจารย์อะอยาตเรียนถามว่าคําบริการนี้เราเปลี่ยนบ่อยๆได้ไหมคะถ้ามันไม่สมเหตุกจ้าคะได้เปลี่ยนคําไหนก็ได้ ถ้ามันสงบนะถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สงบก็มันก็อาจ <c oughs> จะไม่ดอยู่ที่คำบริกรรมมันอาจจะบริกรรมแบบนกแก้วแก้วจ้าแก้วจ้าแต่ใจมันคิดถึงกล้วยจ๋ากล้วยจ๋า <c oughs> <c oughs> พูดโทพูดโท้ไปคิดถึงละครคิดถึงขนมคิดถึงอย่างนี้ก็อย่าเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่สงบอยู่ดี <c oughs> มันต้องจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวไม่แวบไปคิดถึงขนมนมเนยไม่คิดไปถึงสิ่งต่างๆนั้นจะเปลี่ยนก็ได้แต่มันไม่ได้อยู่ที่คำบริกรรมมันอยู่ที่ว่าใจเราจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมหรือเปล่าใจเราหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้หรือเปล่าให้ดูตรงนี้เป็นหลักเดีย๋ยวจะไปหลงประเด็นคิดว่าเป็นคาบริกรรม คำบริกรรมถ้าเป็นกล้วยก็คงจะชอบ่นะถ้าเปลี่ยนกล้วยจ๋ากล้วยจ๋ากล้วยเตี๋ยวจ๋ากล้วยเตี๋ยวจ๋าอ้นน <c oughs> อาวม า, มาครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับจากคุณเอมทีฮนะครับหัวใจของสมาธิคืออะไรและทำสมาธิเพื่ออะไร ช่วยอธิบายให้คนโง่อย่างกระผมได้เข้าใจหน่อยครับก็ทำให้ฟังเทศฟังธรรมที่เราพูดที่สอนมาหนังสืออะไรต่างๆมันก็พูดเรื่องนี้มาจนปากเปียกปากฉีกแล้วขี้เกียจตอบแล้ะไปหาเอาเองคําคำถามข้อต่อไปแต่คุณปอป้อนะครับทางปฏิบัติที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกมีกี่ทาง แล้วถ้ายังคงติดปัญหาบ้างประการไม่สามารถบวดได้จะมีทางปฏิบัติที่จะให้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไหมในวงเล็บทางครอบครัวผู้มีพระคุณแล้วถ้าเกิดความไม่แน่นอนเช่นการตายได้เข้ามาหาในระหว่างทางหรือพรุ่งนี้ได้รับความตายก่อนเราควรทำเช่นไร ในตอนนี้เพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วเนื่องด้วยความไม่แน่นอนไม่ทราบว่าจะทางปฏิบัติไหนที่ใกล้ที่สุดหรือเห็นผลเห็นผลที่สุดสำหรับการไม่ต้องกลับมาเกิดอีกกอทานศีลภาวนาเนี่ยแหละทางนี้แหละทางที่จะไปสู่การไม่ต้องกลับมาเกิดอีกทางสู่พระนิพพาน ทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> คำถามข้อต่อไปจากคุณลานา น, านะครับ <c oughs> ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงแห่งหนึ่งหลักการสอนก็เน้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักแต่เวลาภาวนาจะสอนภาวนาโดยการฟอกลมหายใจเข้าออกแรงๆพร้อมกับบริกรรมพุทธโธฟอกนานๆ ฟอกจนเหนื่อยบางคนก็อ้วกออกมาก็มีแต่ข้าพเจ้ากลับไม่มีสมาธิเพราะคนรอบข้างต่างฟอกลมหายใจเข้าออกแรงๆเสียงดังก็อยากลืมตาดูเขาเพราะบางคนก็ออกอาการต่างๆทำให้รู้สึกว่านั่งภาวนาแล้วไม่ได้อะไรเลยถามว่าหลักการภาวนาโดยการฟอกลมมีอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่และเป็นประโยชน์เช่นไร ที่นี่เขาบอกว่าภาวนาพร้อมกับฟอกลมเพื่อรักษาโรค ก, ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยไม่เคยได้ยินไม่เคยมีในพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยสอนท่านสอนให้ดูลมเฉยๆคำถามข้อต่อไปนะครับจกคุณกระสิก พัททีนะครับผมเคยไปกราบและฟังธรรมจากพระอาจารย์หลายครั้งแล้วและติดตามเทศของพระอาจารย์อย่างต่อเนื่องครั้งล่าสุดที่ได้ไปเมื่อต้นเดือนนี้และกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมถือศีลแปดตั้งแต่เข้าพรรษาและตอนนี้ก็ยังตามรักษาด้วยเห็นคุณแห่งศีลที่มีประโยชน์ต่อการภาวนาเป็นอย่างมาก ผมจึงอยากเล่าให้ทุกท่านที่ปฏิบัติจงรักษาตามที่ครูบาจารย์บอกเถิดดีจริงๆนี่ผมได้ลองถีบตัวเองกับตัวเองและอยากเล่าให้ทุกๆคนได้รับฟังและคําถามที่ทุกๆคนถามก็เป็นประโยชน์ต่อการฟังของผมเองและช่วยแก้ข้อสงสัยให้กระจ่างชัดสิ่งที่ผมอยากเรียนถามมีดังนี้ครับตอนนี้ ผมเกิดสภาวะจิตที่ไม่อยากเอาอะไรอยากได้อะไรชอบแต่นั่งสมาธิภาวนายิ่งวันไหนเล่นความเพียรมามองดูปัจจุบันยิ่งทุกข์เพราะมองเห็นแต่กรรมที่เรายังอยู่ทางโลกผมจะเดินจิตไปยังไงครับถ้านี่ไม่จบผมคงต้องอยู่ตรงนี้ผมอยากออกจากทางโลกไปเลยผมไม่กล้าคิด ถ้าคิดเมื่อไหร่ก็ทุกอันนี้ไม่ใช่คำถามใช่ไหมมีมีคำถามต่อหลังเห ม, มือนกขาเาถามตอนนี้ผมเกิดสภาวะจิตที่ไม่อยากเอาอะไรอยากได้อะไรชอบแต่นั่งสมาธิภาวนา <c oughs> ยิ่งวันไหนเลนความเพียร <c oughs> มามองดูปัจจุบันยิ่งทุกข์เพราะเห็นแต่กรรม ที่เรายังอยู่ทางโลกมผมจะเดินจิตไปยังไงครับท่าหนี้ท่านท่านนี่ไม่จบผมก็คงต้องอยู่ตรงนี้ผมอยากออกจากทางโลกไปเลยเขาเขาถามประมาณว่ า, าวจะเดินไปยังไงดีครับเดินไม่เป็นนะเขาก็ไปบวชกันนั่นอง ถ้าเมื่อไม่อยากจะได้แล้วเราจะอยู่ไปทำอะไรถ้ามีนี่ก็ต้องใช้นี้ก็ก่อนหมดนี้ก็ไปบวชคำถามข้อต่อไปนะครับผมมีคำถามจากคุณบ๊อบนะครับผมมีคำถามเกี่ยวกับการออกสมาธิ คือผมจะนั่งสมาธิ30นาทีมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีครับมีอยู่วันหนึ่งผมออกจากสมาธิแล้วและได้แผ่เมตตาแต่จูๆ่ๆดวงตาผมก็ลืมไม่ขึ้นและแขนของผมก็ขยับเองแกว่งไปมาบ้างก็เหมือนมีใครไม่ทราบมาให้อะไรไม่ทราบและผมก็ยื่นมือไปรับมาเก็บไว้ที่หน้าอกช่วงหัวใจและผมก็เหมือนบังคับตัวเองไม่ได้ทั้งคอและศรีรษะ ก็หมุนไปหมุนมาเหมือนไม่มีกระดูกหลังจากวันนั้นมาลองหมุนคอตัวเองดูกลับรู้สึกมึนหัวช่วงเวลานั้นรู้สึกสบายมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่บังคับแขนคอตัวเองไม่ได้สติอยู่ที่ฐานจิตของผมคือบริเวณใบหน้าและที่อาการแบบนี้เป็นเวลาสองสมชั่วโมงผมจึงลุกขึ้นมากราบพระ กาบรูปของพ่อแม่แต่เหมือนว่าผมกาบเหมือนคนที่มีศรัทธาแรงกล้าคือเอาหน้าผากติดกับพื้นอยู่นานช่วงเวลานั้นตกใจมากๆกก็เรียกให้หลวงปู่มั่นช่วยหลวงพ่อวิริยังที่เป็นพระอาจารย์ของผมช่วยแต่ก็ไม่เป็นผลยังไม่สามารถบังคับแขนและคอได้ ซึ่งอาการแบบนี้คงเป็นแบบนี้ไปถึงเช้าผมจึงแข็งใจลืมตาขึ้นและลุกจากที่สมาธิอาการทุกอย่างผมรู้สึกตัวตลอดแต่ลืมตาและบังคับตัวเองไม่ได้ครับบรอรก่อนหน้านี้ผมอยากรู้อดีตชาติของตัวเองอยากเห็นลิฟต์สิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่ในวันที่อาการแบบนี้จะเกิดขึ้นผมได้ตัดความอยากรู้ อยากเห็นออกไปและตั้งสัจจะว่าจะทาสมาธิสะสมพลังจิตพลังบุญอย่างเดียวจนกระทั่งเกิดอาการที่ผมได้เล่าให้ฟังครับผมอยากทราบว่าอาการนี้คืออะไรครับอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไงนะอนิจจังนะทุกขังอนัตตามันหายไปแล้วใช่ไหมมันเป็นแล้วมันก็หายไปแล้ว อนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้เราทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นนามที่เราอยากถ้าเราไม่อยากเราก็ไม่ทุกข์นั้นไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นก็ให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อยู่กับมันไปมันก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอยากจะให้มันเป็นเป็นเป็นอย่างอื่นไปมันก็เกิดภาวะตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นักปฏิบัติต้องมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาถ้ามีปัญญาถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังนาตาก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นตกใจหมดเรียงมีอีก ท่านหนึ่งครับเขียนมาว่าคุณกิจตดาครับภาษาหน้าผมจะลาบวดหนึ่งภาษาจึงพยายามหาวัดเพื่ออยู่ปฏิบัติธรรมวันนี้ผมก็ไปหาแถวแถวสวนพึ่งและผมเป็นคนแม่กองแต่ก็ยังหาไม่เจอพอดีมาเจอเพจของพระอาจารย์เห็นวัดท่านสงบมากผมขอฝากตัวไว้ล่วงหน้าครับ ปากก็ฝาเป็นจะรับไม่รับเป็นเรื่องนหมดแล้วครับอาจารย์หมดแล้วเหมดเดี๋ยวของไม่ดีมาฝากเราเราจะรับได้ยังไงใช่ไหอถ้าของดีเราก็ยินดีของไม่ดีก็ไม่มีใครอยากจะรับใช่ไหมงั้นยังไม่ได้เห็นของจะบอกให้รับได้ยังไง ก็ขอเปิดดูของก่อนถ้ามาแล้วมาสร้างปัญหามาสร้างเรื่องก็ไม่รับหรอกถ้ามาแล้วไม่มีปัญหาก็รับได้บางคนมาแล้วมีเงื่อนไขมากมีเรื่องมากก็รับไม่ได้หรือบางคนตอนต้นมาก็ไม่มีเงื่อนไข พออยู่ไปอยู่มาอางเงื่อนขโผล่ขึ้นมาแล้วอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่แล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เหมือนแต่งงานกันน ะ, ะเวลาแต่งเวลารู้จักกันใหม่ๆก็อะไรก็ได้เนทะ่านั้นหอมไปหมดหวานไปหมด <c oughs> <c oughs> อพออยู่ไปอยู่มาไอ้นี่นก็ขมไอ้นี่ก็เปรี้ยวก็มีเงื่อนไขายต่างๆโผล่มาดังนั้นเรื่องของการที่จะอยู่ร่วมกันนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องดูใจกันไป เรื่อยๆไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรแน่นอนพรอาจารย์ครับหากมีององกรหนึ่งนะครับที่เราเป็นผู้ในสมัยก่อนยังไม่มีผู้สนใจแต่เราเป็นผู้เข้าไปเริ่มบุกเบิกทำให้คนได้สนใจขึ้นมาแล้วทุกปัจจุบันเนี่ยองกรเนี่ยคนสนใจทั่วประเทศในขณะที่เราเนี่ยไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว แต่เราเนี่ยได้วางรูปแบบต้นแบบไว้หมดแต่ว่ามีการแปลงไปจนทำให้บางครั้งเนี่ยเกิดความรุนแรงขึ้นมา อ, มอย่างนี้กรรมจะตกอยู่ที่เราซึ่งเป็นผู้เริ่มไหมครับไม่หรอกเราทำสิ่งที่ดีไว้มันก็จะ ม, มีผลดีกับเราแต่คนที่ไปเปลี่ยนมันทำให้มันไม่ดีมันก็มันก็เป็นผลกับคนที่ไปเปลี่ยนนั่นแหละ เหมือนกับศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าวางรูปแบบไว้ดีแล้วธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วเป็นสวากขาโตฟะกวะตาธรรมโมแล้วแต่พวกที่มาปฏิบัติมาเปลี่ยนกันมาฟอกมาฟอกลมกันมาฟอกอะไรกันเนี่ยมันก็ผลก็เกิดกับไอคนที่มาเปลี่ยนนั่นแหละไม่เดินตามรอยพระพุทธบาทใย่ไหม ง, ง, งั้นเราทำอะไรไว้ที่ดีแล้วเราก็ แล้วเราก็ปล่อยไปแล้วมันไม่เป็นเป็นเรื่องของเราแล้วคนอื่นก็รับช่วงต่อไปแล้วเช่นเราตายไปมรดก ข, ข, ของเราเนี่โรงแรมของเราก็จะเอาไปทําเป็นอาบอบนวดเราก็ไปห้ามก็ไม่ได้นะอย่าไปอย่าไปวิตกอย่าไปกังวลก็ให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปนะทุกอย่างกรรมมันเกิดขึ้นจากเจตนาและการกระทําของเรา ถ้าเรามีเจตนาที่จะทำํำแล้วทําไปแล้วมันเป็นการกระทําที่ชั่วที่เป็นบาปมันก็ผลก็ต้องเกิดกับเรามันมันเป็นเรื่องของกีฬาครับอาจารย์คือเราวางรูปแบบไว้ตั้งแต่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแล้วตอนนี้มันตีกันบ่อยครับแล้วก็เป็นคนวางรูปแบบไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งแต่แรกอะครับ ม, มันก็เลยกลัวว่าเออเราวางรูปแบบไว้อย่างนี้คนอื่นทําตามหมดแต่มันตีกันด้วยเราก็เลยกลัวก็อย่างนี้แหละเพราะว่าเขาไม่มีภูมิปัญญาเหมือนเราไง ก็ไม่มีความสามารถเหมือนเราเหมือนกับครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านมีชื่อเสียงเวลาที่ท่านอยู่วัดของท่านเรียบร้อยแต่พอท่านตายไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไปทุกวัดก็เพราะว่าคนที่จะมารับช่วงต่อไปนี่ไม่มีภูมิปัญญาไม่มีความสามารถที่จะดำเนินตามรอยของท่านได้แต่ตัวท่านเองท่านก็รู้ท่านไม่วิตกกังวลเพราะท่านก็เห็นเห็นมาก่อนหน้าท่านอยู่แล้ว ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านก็เป็นอย่างนี้พอครูบาอาจารย์ท่านตายไปลูกศิษย์ลูกหาก็แปลงวัดไปเป็นอกีกอีกแบบหนึ่งไปวัดของท่านท่านก็รู้อยู่แล้วต่อไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นท <c oughs> ่านมันเป็นเรื่องปกติของโลกมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนาตาัตตางแต่ว่าท่านไม่ไปทุกข์กับมันเพราะท่านเห็นท่านรู้ทันอนิจจังรู้ทันอนัตตาท่านก็ปล่อยวาง <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านก็ปล่อยว่าพุทธเจ้าก็รู้ว่ า, าศาสนาของท่านมันก็อยู่ได้แค่ห้าพันปีอย่างอย่างอย่างดีนะถ้าถ้าปฏิบัติตามได้ก็ห้าพันปีถ้ามาเปลี่ยนแปลงมาซักฟอกลมกันมาทําอะไรกันอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ถึงห้าพันปีก็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ท่านไม่มาทุกกับาศาสนาของท่านละเพราะว่ า, าศาสนา นี่ไม่ได้มีไว้สำหรับท่านมันมีไว้สำหรับพวกเราที่ยังหูหนวกตาบอดกันอยู่าศาสนาเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางมันเป็นประโยชน์กับคนที่หูหนวกตาบอดที่ต้องการแสงสว่างนำทางแต่คนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเขาไม่มีความจาเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องนำทางแล้วพระพุทธเจ้าพระอาหลานตสสาวกทั้งหลายท่านไปถึงจุดหมายปลายทางของท่านแล้ว การเดินทางของท่านได้สิ้นสุดลงแล้วแต่พวกเราที่ยังต้องเดินทางกันอยู่นี่ถ้าไม่มีแสงสว่างเราก็จะเดินผิดทางกันเราก็เดินแบบไม่สะดวกราบเรื่อนมีแต่ภัยมีแต่อุบัติเหตุเหมือนขับรถในที่มืดอย่างนี้ไม่มีแสงสว่างขับไปเดี๋ยวมันก็ชนกันแหกโค้งกันแต่ถ้ามีแสงสว่างมันก็จะพอที่จ ะ, ลจะหลบเจริญกันได้ พอที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ดงั้นศาสนานี่มันมีความจําเป็นสําหรับผู้ที่ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางสําหรับผู้ที่ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วนั้นไม่มีความหมายอะไรสําหรับท่านอีกต่อไปเรีนขอยพวกเราพยายามศึกษาให้มากๆอย่าลืมคําว่าปริยัติปฏิปฏิบัติปฏิเวทอันนี้แหละเป็นขั้นตอน ของการดำเนินภารกิจของทางศาสนาต้องศึกษาก่อนดูแผนที่ก่อนก่อนที่จะออกเดินทางแต่อย่าศึกษาดูแผนที่แล้วก็ไม่ออกเดินทางรู้หมดว่าทางที่จะไปไปอย่างไรแต่ไม่ยอมออกเดินทางเสียทีอย่างที่เทศวันนี้ก็บอกให้ออกจากกาลมาฉันทะกันก็ยังติดรูปเสียงกลิ่นรถกันอยู่ยังติดกาลมาขกันอยู่ ถ้ามาถือสินแต่ก็เอาแค่สามวันเจ็ดวันอีกสองร้อยอีกสามร้อยก่าก็ขอเสพการามไปก่อนอแล้วอย่างนี้มันเมื่อไหร่มันจะไปถึงล่ะใช่ไหมต้องศึกษาศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แบบอกระตายวันไหนคึกก็วิ่งวันไหนขี้เกียจก็นอนต้องเป็นแบบเต่านะ เต่านี่มันไม่คึกมันไม่ขี้เกียจมันสม่ําเสมอมันปฏิบัติของปันไปทุกวันทุกวันทีเรเล็กเทียรน้อยไม่ไม่มีความโลภมากอยากจะได้ผลมากขอเอาแค่วันละคือก็พอทําไปเรื่อยจากคือก็เป็นศอกจากสอกก็เป็นวาไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ถึงเองถ้าไปแล้วไม่หยุดถ้าไปแบบกระต่ายก็สู้เต่าไม่ได้นิทานียศเขาก็สอนได้แล้ว เราอย่าเป็นกระต่ายกันขอให้เราเป็ น, เ ป, นเป็นเต่ากันคานกันไปทุกวันทำมันไปทุกวันเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางก่อนก่อนกระต่ายอย่างแน่นอน <c oughs> เพราะว่ากระต่ายมันจะถูกหลอกว่าโ <c oughs> อ้เราทำเพิ่งเยอะแล้วเราใกล้จะถึงแล้วเราพักได้แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ความจริงทำนิดเดียวแต่ถูกหลอกตัวเองว่าได้ทำเยอะแล้ว <c oughs> ยังอยู่ห่างไกลเป็นยอยังคิดว่าโอ๊ยเหลือนิดเดียวอยู่ใกล้นิดเดียวเดี๋ยวทำเมื่อไหรก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็เสร็จเสร็จกิเลสกิเลสมันเก่งมันหลอกเราได้ทุกรูปแบบหลอกให้เราติดในกามมฉันทะแล้วก็หลอกให้เราคิดว่าเราปฏิบัติมากแล้วเดี๋ยวเดียวไว้รอตอนใกล้ตายแล้วค่อยมาปฏิบัติก็ได้เรานี้ขอสนุกก่อนแต่ก่อน พระอาจารย์ครับพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันแต่ในแนวทางปฏิบัตินี่ครับการปฏิบัติในอดีตเนี่ยมีความจาเป็นมากน้อยแค่ไหนกับการปฏิบัติในปัจจุบันในวันปัจจุบันครับนำกลับมาใช้อย่างไรได้บ้างครับอาจารย์คือคำว่าปัจจุบันนี้มันไม่ได้หมายคราวว่าอยู่กับสมัยนี้หรือสมัยนั้นหมายถึงให้จิตเราอยู่กับที่ไม่ให้ลอยไปลอยมา ใจเรามันไม่อยู่กับที่มันชอบไปอดีตไปอนาคตชอบคิดถึงอดีตอันแสนหวานที่ผ่านมาคิดแล้วก็เกิดการมารมขึ้นมาอยากจะเสพการมารุมที่เคยได้เสพอีกหรือถ้าไปคิดถึงอนาคตก็คิดไปถึงความแก่ความเจ็บความตายก็หดหูใจไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทาอะไร หรือคิดไปถึงอนาคตที่แสนหวานก็นั่งรออยู่นั่นเมื่อไหร่จะถึงมานั่นสักทีใจมันก็ล อ, อยไปลอยมาไม่มีความสุขเพราะไปติดกับของความอยากแต่ถ้าอยู่ในปัจจุบันแนละ้วมันก็จะว่างมันจะไม่มีความอยากกับอะไรเพราะปัจจุบันมันไม่มีอะไรปัจจุบันก็มีแต่พุโทโธไี่มีอยู่ก็มีอยู่มีแต่ร่างกาย ที่เคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาทําภารกิจอะไรต่างๆที่จําเป็นจะต้องทำเท่านั้นถ้ามันอยู่ในปัจจุบันมันก็มันก็ถือว่ามันมันตั้งมัน่นมันนิ่งมันไม่ลอยไปลอยมาพอมันตั้งมัน่นเวลาทําใจให้สงบมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะใจจะสงบต้องอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อยู่ในอดีตอยู่ในอนาคตคือต้องไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ การว่าความหมายของการว่าอยู่อดีตก็หมายว่าไปคิดถึงเรื่องอาที่อดีตนะมีความปรุงแต่งแล้วถ้าอยู่อนาคตก็มีความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องอนาคตแนละ้วแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันก็อยู่แบบสักแต่ว่ารู้เฉยเฉยรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่รู้ว่ากําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งเวลาหลับตาดูลมก็รู้ว่ากําลังดูลมอยู่กําลังหายใจอยู่เท่านี้ออันนี้มันก็จะไม่มีความคิดปรุงแต่ง พอไม่คิดปรุงแต่งมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คือความหมายของเรื่องของการให้จิตอยู่ในปัจจุบันแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วถ้าจะพิจารณาเรื่องปัญญานี้มันมันต้องไปทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตมันถึงจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเช่นถ้าเราพิจารณาร่างกายเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นอย่างไรมันไม่เที่ยง ก็เพราะว่าเวลามันเกิดออกมานี่มันเป็นอย่างหนึ่งวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วันข้างหน้าเวลาที่มันตายไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องพิจารณาทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตถึงจะได้เห็นภาพชัดเจนของคําว่าไม่เที่ยงว่าเป็นอย่างไรก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆจากเด็กก็มาเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็มาเป็นคนคนชลารา์จากคนชลาร์ก็มาเป็นคนเจ็บ อยากคนเจ็บก็มาเป็นคนตายอยากคนตายก็เป็นซากศพจากซากศพก็กลายเป็นเป็นเศษกระดูกเป็นเศษขี้เท่าไปอันนี้ถ้าเป็นปัญญามันจะต้องพิจารณาให้ครบวงจรของสิ่งที่เราที่เรายึดติดเราหลงอยู่ยังมีความอยากอยู่กับสิ่งนั้นให้พิจารณาให้เห็นความจริงของเขาเพื่อเราจะได้ หยุดความอยากได้ถ้าเราเห็นว่าในที่สุดร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราก็จะได้หยุดวิพาวะตัณหาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้นี่เรื่องของปัญญานี้มันจะต้องไปทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตแต่เรื่องของสมาธินี้มันจะต้องอยู่ปัจจุบันต้องตั้งอยู่ที่เดียวต้องตั้งอยู่ตรงจุดที่ไม่มีการคิดฟุงแต่ง จุดที่ไม่มีการคิดปุงแต่งก็คือปัจจุบันนี้ถ้าไปอดีตนี่มันคิดแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนีนสนน้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วถ้าไปอนาคตมันก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้ามันอยู่ปัจจุบันมันก็อยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจยไปแล้วอยู่กับร่างกายไปมันก็ไม่มีความคิดปุงแต่งถ้ามีความคิดปรุงแต่งก็แสดงว่าไม่เป็นปัจจุบันแล้ว นอกจากถ้าจะปรุงแต่งก็ต้องปรุงแต่งไปตามความจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาไปถ้าเจริญปัญญาได้อย่างจริงๆมันก็ทาให้ใจสงบได้เหมือนกันที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิการทำสมาธินี่ทำได้สองแบบแบบให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับร่างกายแล้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออก แลอยู่กับการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพิจารณาจนจิตปล่อยวางาตันหาความอยากได้จิตก็จะรวงเข้าสู่ความสงบได้เช่นจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องตอนที่นั่งแล้วเกิดอาการเจ็บขึ้นมาในร่างกายก็ต้องพิจารณาทุกขเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพิจารณาแล้วปล่อยวาง ทุกขเวทนาได้จิตก็จะหยุดวิภาวะตัณหาความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปได้พอไม่มีความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ปล่อยวางทุกขเวทนาได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความทุกขของทางร่างกายได้ออันนี้เรียกว่าใช้ปัญญาในการที่จะ ทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้สงบหรือทำใจให้ปล่อยวางให้หยุดกิเลสหยุดภาวะวิภาวะต่างความอยากความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายดับไปถ้าพิจารณาว่าสั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันจะหายก็หายมันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าทำใจว่าเอาอยู่ก็อยู่อย่าไปถ้าเราไม่ไปลังเกียจเขาไม่ไปขับไล่าสายส่งเขาเราก็จะไม่ทุกข์ ที่เราทุกก็เพราะเราอยากจะขับไล่สายส่งให้เขาไปเช่นเวลาเราเจอคนที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้เขาหายหน้าไปแต่เขาไม่หายทุกครั้งเห็นหน้าเขาก็จะทุกใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจว่ า, อ, าอยากจะอยู่ก็อยู่ไปเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นเงาตามตัวเราเป็นวิบากของเราเมื่อมันจะตามมาก็มันอยากจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไปพอเราทาใจได้มันก็ไม่ทุกข์กับเขา อันนี้เรียกว่าใช้ปัญญาเพื่อข่มใจเพื่อหยุดปัญหาความอยากเพื่อให้ใจกลับเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอารมสมาธิก็ได้หรือปัญญาดับกิเลสดับความทุกข์ก็ได้เหมือนกันสมาธิก็คือความดับทุกข์นั่นเองเวลาจิตสงบความทุกข์มันก็หายไปถ้าใช้ปัญญาดับต่อไปความทุกข์ที่เกิดจาก ความทุกข์ของทางร่างกายก็จะไม่เป็นความทุกข์อีกต่อไปทุกครั้งที่เกิดอาการเจ็บปวดก็จะรู้สึกเฉยๆจะไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาเพราะใจไม่ไม่ไปยุ่งกับความทุกข์ของทางร่างกายแล้วรู้แล้วว่าไปอยากให้หายไม่ได้อยากแล้วจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสู้ปล่อยให้เขาเจ็บไปดีกว่าแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์นี่ก็คือเรื่องของปัญญา ปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเด่นเมื่อกี้นี้มันไม่ทุกเดี๋ยวนี้มันทุกแล้วเดี๋ยวต่อไปข้างหน้ามันก็จะหายทุกของมันเองไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่มันมันทุกก็ต้องอยู่กับมันขณะที่มันไม่ทุกก็ต้องอยู่กับมันแลขณะที่มันไม่สุขไม่ทุกก็อยู่กับมันไม่ใช่เวลาสุขก็อยากจะให้มันสุขอย่างเดียว พอมันเปลี่ยนไปก็จะทุกขขึ้นมาทันทีทุกทางใจเราต้องเข้าใจความจริงของเวทนาว่ามันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นอนิจจังก็คือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราจะไปเลือกว่ามันเอาอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้มันมาอย่างไหนก็ต้อเอาเข้ามาอย่างนั้นเหมือนกับอากาศุดินฟ้าอากาศเราก็เลือกไม่ได้ เราไปสั่งมันไม่ได้เราก็อยู่กับดินฟ้าอากาศได้เราก็ไม่ทุกกับดินฟ้าอากาศเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอนัตตาเราสั่งเขาไม่ได้ฝนจะตกเราก็ห้ามเขาไม่ได้ฝนจะหยุดเราก็สั่งให้เขาตกไม่ได้ไม่มีเราไปสั่งธรรมชาติไม่ได้ชั้นใดเวทนาของทางร่างกายก็เป็นธรรมชาติเหมือนกั น, เ ป, น, นาาเป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นอนิจจเหมือนกันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้อง อยู่กับเขาให้ได้อย่าไปมีความอยากให้เขาเป็นเป็นอย่างอื่นไปนี่คือเรื่องของปัญญาส่วนเรื่องทางโลกสมัยนี้เป็นยังไงสมัยก่อนเป็นยังไงมันเหมือนกันอะสมัยก่อนก็มีโรคโกรธหลงเหมือนกันสมัยพุทธกาลก็มีสงครามมีการต่อสู้กันมีแก่งการแก่งแย่งชิงดีกันสมัยนี้มันก็มีความโรคความโกรธความหลงมี ความอยากเหมือนกันมีการแข่งแย่งชิงดีเหมือนกันอนาคตข้างหน้ามันก็เป็นแบบเดียวกันต่อนมีพระพุทธเจ้ากลับมาตัดสร้อย ก, กี่กี่แสนรูปกี่ล้านรูปมันก็ก็มาเจอไอ้แบบเดียวกันทั้งนั้นแหะก็เกิเจอเรื่องไอ้โลกโกดองเรื่องการมาตัญหาพระว่าตัญหาและวิภาวะตัญหาเพราะนี่คือโลกมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็มีหน้าที่มากำจัดโลกโกหองในตัวในใจของท่าน แล้วท่านกรรมมาสั่งสอนให้คนอื่นมากรรจากความโลภความโกรธความหลงเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงสอนเหมือนกันหมดสอนให้ทำบุญให้ละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าใจของศาสโลกมันมีแต่สิ่งที่สโปรปกคือความโลภความโกรธความหลงและสิ่งที่จะชำระมันได้ก็คือการทำบุญการรักษาสี่การไม่ทำบาปและการภาวนานเนี่ ไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่ไกล้หรือไกลที่จะตามมาต่อไปก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วก็มาสอนอย่างนี้กันทุกๆพระองค์ไปจนกว่าจะไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ในใจของสัตว์โลกแนละ้วเท่านั้นสัตวโลกทั้งหมดได้กลายเป็นพระอนิพานกันไปหมดได้ถึงพระนิพานแล้วตามนั้นก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้ต่อไป ถ้าตาบดยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอยู่ในใจของสารโลกอยู่ตาบดานั่นก็ยังจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดจารโหอยู่เหมือนกับสมัยเนี้ยตาบดที่ร่างกายยังมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตาบดานั่นมันก็จะมียาออกมาอยู่เรื่อยๆมียาออกมารักษากันอยู่เรื่อยๆพอมีโรคใหม่ออกมาเดียวยาใหม่ก็ตามออกมาสมัยก่อนไม่มีโรคเอดไม่มีเอชไอวี อย่างนี้มันมีแล้วพอมันมีแล้วมันก็มียาเข้ามาตามมาอยู่ดีมันก็มีแก้กันไปอย่างเรื่อยๆถ้ายังมีมีปัญหามันก็ต้องมีมีมีวิธีแก้พอไม่มีปัญหามันก็ไม่ต้องมีวิธีมาแก้ปัญหาดงั้นปัญหาของพวกเราก็คือกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาโลกโกฎหนองนี่เอ เราต้องแก้มันตรงนี้ถ้าทําลายกา ร, รมัตต์ฐานะภาวะฐานาวิภาวะฐาหาทําลายความโลภความโกรธความหลงได้แล้วปัญหาของเราก็จบจะไม่มีปัญหากับอะไรทั้งนั้นอะไรจะเกิดอะไรจะดับใครจะชมใครจะดา่าใครจะทะเลาะกันใครจะรักกันไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของเขาเราไปยุ่งของเขาทําไมคนเขารักกันเราก็ไปอิจฉาเขาคนเขาทะเลาะกันก็ไปอยากให้เขาดีกันมันเรื่องอะไรของเราใช่ไหม เขาจะรักกันเขาจะเกลียด ก, กันโกรธกันมันก็เรื่องของเขาอ่ะเราไปห้ามเขาได้ที่ไหนละ่ะ<ม>นี่แหละคือใจของพวกเรามันยังโลภอยู่ยังอยากอยู่ยังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ไม่พิจารณาว่าเรามีอำนาจมีความสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้หรือเปล่าไปสั่งเขาได้หรือเปล่าเราไม่มีแต่ก็อยากเล่นอยู่ภายในใจอย่างนี้นกับลูกก็เหมือนกันกับสามีก็เหมือนกันกับภรรยาก็เหมือนกัน กับทัพสมบัติเข้าของก็เหมือนกันอยากมันไปอยู่เรื่อยแล้วมันทำไรายได้หรือเปลทุกไปเปลเปล่าทุกไปกับทุกเรื่องเพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามาหยุดมันนันเองใจไม่มีเบรกเนี่ยพระเจ้าถึงสอนให้มาสร้างเบรกกันให้มาภาวนากันมาเจริญสติกันเพื่อจะได้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาพอมีสติสมาธิปัญญา ก็หยุดได้หมดเลยภาวะตันหากามะตันหาวิภาวะตันหาโรคโกรธหลงก็จะไม่มีอยู่ภายในใจไม่มีโลกโกรธหลงก็ไม่มีความทุกข์ใจปัญหาก็อยู่แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายปัญหาเกิดจากเราไปยุ่งกับมันเองเราไปหาปัญหามาใส่ใจเราเองอยู่ดีๆไม่ชอบวิ่งไปจับเขามาใส่หัวแล้วก็มาบว่นว่าปวดหัวปวดหัว พอาจารย์หมพระอาจารย์ครับจิตนะครับมันมันไม่มีตัวสัญญาในการจดจําเรื่องที่ไม่มีความจําเป็นต้องจดจํานะครับมันจะไปจําเฉพาะเรื่องครอบครัวเราตัวเราเองหรืองานธรรมะต่างๆจนบางครั้งเนี่ยแม้แต่ชื่อลูกน้องตัวเองยังจําไม่ได้บางครั้งนะครบางทีมันไม่จําเลย จนสับสนว่ามันกลายเป็นความจำเสื่อมหรือว่ามัน ม, มันมันไม่สนใจนครับอาจารย์มันจะมีผลเสียอะไรไหมครับอาจารย์คือความจาเนี่ยมันม่ความจำที่ถ้าตรงกับความจริงมันก็ไม่เสียหายถ้าไม่ตรงกับความจริงมันก็เป็นความหลงไปเช่นจำว่าเป็นของเราเป็นตัวเราอย่างนี้ เป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราอันนี้เป็นคาจาที่ไม่ตรงกับความจริงเพราะความจริงแล้วเป็นเพียงดินน้ำลมไฟร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟแต่เราไปจำว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องความจริงตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่อยู่ในใจถ้าเราจำอย่างนี้แล้วเวลาร่างกายเขาตายไปเราจะได้ไม่ร้องห่มร้องไห้ เพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เราไม่จำอย่างนี้เราไปจำว่าเขาอยู่ในร่างกายพอร่างกายเขาตายไปเขาตายไปด้วยแต่ความจริงเขาไม่ได้ตายเขายังอยู่กับใจใจที่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเขาก็ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่อันนี้เราจาผิดกันที่มาปฏิบัติกันเพื่อมาแก้ความจำจำให้มันถูกจยไปจำว่าเขาเป็นหมาเขาเป็นแมวอย่างนี้เข้าใจม เขาไม่ได้เป็นร่างกายเขาเป็นใจเขาอยู่ในใจเขาไม่ได้อยู่ในร่างกายถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ในใจเราก็จะได้สบายใจอ๋อเวลาก็ตายแล้วเขายังไม่ได้ตายร่างกายตายแต่ตัวเของไม่ได้ตายเหมือนเสื้อผ้าขาดนี้เสื้อผ้าขาดแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ใช่ไหมร่างกายมันก็ไม่ได้ตายเผื่อเสื้อผ้าที่ขาดไปชั้นใดเราไม่เราจําผิดเราถูกสอนให้จําผิดก็แล้วกัน พอเกิดมาก็มีแต่สอนว่าร่างกายนี้คือตัวเธอนะมีชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้นแต่ความจิตมันไม่ใช่ถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันก็เป็นเพียงดินน้ําลมไฟดีๆนี่เองแลเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปการละสกกายทิฐิความจําผิดไปจําว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา ต้องมาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟต้องมาเปลี่ยนความจำใหม่เปลี่ยนความรู้ใหม่ความความเห็นใหม่ทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นความเห็น ก, ก็ก็เกิดจากความจำนี่เห็นแล้วก็จำไปจำว่าเป็นตัวเราของเราพอเลยเป็นตัวเราของเราก็หวงก็ห่วงพอหวงห่วงก็ทุกข์ถ้าไม่ใช่เป็นของเราเราไม่ทุกข์ใช่มเมื่อกี้คุณบอกว่า เรื่องของคนอื่นนี่เราไม่ไปจําไม่ไปสนใจใครจะเป็นใครจะตายเราไม่เดือดร้อนอ่าเป็นพอเป็นของเราขึ้นมาเนี่ยมันวุ่นวายขึ้นมาทันทีพอเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นภรรยาเป็นสามีเราเป็นบุตรเป็นธิดาเรานี้ยเดือดร้อนขึ้นมาทันทีทั้งตั้งเท็จที่มันก็เป็นดินน้ําลมไฟทั้งหมดเลยไม่มองที่ดินน้ําลมไฟกันทากซี ต้องกลับมามองใหม่มองว่าต่อไปนี้ร่างกายของทุกคนนี้เป็นเพียงดินน้ำนมไฟตัวที่เ็าสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ต้องไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าตัดถ้าตัดความโลภความโกรธความหลงได้หยุดความอยากได้ ก็หยุดบาปหยุดบุญได้ไม่ต้องไปใช้บาปใช้บุญหนึ่งต่อไปนี่คือตัวใจมาว่ามาหากมองทุกอย่างครับพระอาจารย์ถ้ามองเรื่องทุกอย่างบนโลกเนี่ยเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดนะครับสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ของตัวเราสภาวะของตัวเราเนี่ยจะทุกข์แค่ไหนเนี่ยมันก็จะมีคำคำํานึงมากำกับครับพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ห้ามมันไม่ได้จะไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้มันเกิดแล้วจะให้มันดับก็ไม่ได้มันดับแล้วจะให้มันกลับมาใหม่ก็ไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับความจริงไปตลอดเวลาตอนนี้เราไม่อยู่กับความจริงกันเราไปอยู่กับความอยากกันเพราะเรามีความหลงไปหลอกว่าเป็นของเราพอเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราพอมันไม่อยู่เราก็อยากจะให้มันอยู่อยากให้มันกลับมา อแต่มันไม่กลับมาแล้วเวลามันตายแล้วมันไม่กลับมาแล้วเนี่ยคนเราทุกข์เพราะความหลงนี่เองทุกข์เพราะความไม่รู้เพราะไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยอยพวกเราโชคดีเนี่ยเรามาศึกษาธรรมะวันนี้เราได้รู้ของจริงได้รู้ความจริงนะนี่ต่อไปใครตายนี่เราจะไม่ร้องไห้กันแนะล้วไปร้องอะไรไม่มีใครตายไอ้สิ่งที่ตายมันไม่ใช่คนที่เราคิดว่า ว่าเป็นเขาเขาไม่ได้อยู่ในร่างกายเราจะไปร้องไห้กับดินน้ำลมไฟเหมือนกับคนขับรถกับรถยนต์เนี้รถยนต์มันพังคนขับมันไม่ได้พังไปกับรถเนี่ยร่างกายพังแต่คนขับร่างกายนี้ไม่ได้พังไปกับร่างกายคนที่สั่งให้ร่างกายพูดให้ทำอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะคนที่สั่งนี้อยู่ในใจใจที่ไม่มีวันตาย แต่เราไม่เห็นใจปัญหาของเราถ้าเราภาวนาเรานั่งสมาธิเราก็จะเห็นใจเวลาใจสงบก็จะเหลือแต่ใจตัวเดียวตัวรู้นี่เองรอะว่าตัวนี้แหละคือตัวเราตัวของเราตัวนี้เองเราจึงต้องรักษาให้ใจนี้ไวด้ด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาอาจารย์การตัวรู้เนี่มัน มันมันไปตามบุญตามกรรมมันก็คือมันก็ไม่เป็นอะไรกับใครหมายถึงว่ามันมันเป็นแค่รูปเฉยๆก็ไม่เป็นอะไรกับใครก็กิเลสมันไปทำให้มันไปหลงเป็นเป็นอะไรกับใครเองเป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันก็ตัวกิเลสตัวความหลงนี่อวิชชาปัจจยาสังขาร ความหงความไม่รู้ทำให้มันปูแต่งไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราแต่ความจริงมันก็เป็นตัวลูกเท่านั้นเองตัวรูกที่มาเจอกันผ่านทางร่างกายเรามาขอสายทองเขาอยู่พอออกมาเขาก็บอกเขาเป็นแม่เราเราเป็นลูกเขาแต่ความจริงเขากับเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาเจอกันบนเวทีนี่ บนโลกนี้แล้วก็อยู่กันด้วยกันสักพักนึงแล้วก็ไปคนละทางแะพอร่างกายเขาตายเขาก็ไปของเขาแล้วร่างกายเราตายแล้วก็ไปของเราแล้วเหมือนเรามาเจอกันที่สถานีรถไฟลงจากรถไฟขบวนนี้มาแวะมาซื้อตั๋วเพื่อจะขึ้นขบวนใหม่มาซื้อขนมนมเนยมาซื้อข้าวซื้อของก็มาเจอคนที่สถานีก็คุยกันรู้จักกันแล้วก็มาหลงคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่กัน พอถึงเวลารถไฟออกก็ขบวนใครก็ขบวนมันก็ขึ้นแยกกันทางมันไปต่ออาจารย์ก็เลที่บอกว่ามีความผูกพันในอดีตชาติที่บอกว่าเป็นเราก็เคยรู้จักกันมาก่อนไงเคยเจอกันมาก่อ น, อ น, นชอบบอกชอบใจกันติดใจกันก็เลยนัดกันมาเจอกันใหม่วเาระัวเัวันเัวเราัวราัเัาเ ก็ชอบกันนี่พระมันชอบกันมันก็ผูกกันเองใช่ไห ม, อมชอบคนนี้เวลาไปไหนที่ต้องการบริการก็ต้องเอาคนนี้อยู่อ่าร้านตัดผมก็ต้องอาช่างคนนี้คนอื่นไม่เอาเพอะถูกใจกับช่างคนนี้เจอแฟนคนนี้ก็ติดใจแฟนคนนี้ชาติหน้าก็ขอเจอคนนี้อจองไว้ก่อนแล้วพอจังหวะไปเจอกันมันก็รู้กัน พอมันเห็นหน้ากันมันก็รู้แล้วใช่แล้วคนนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมีใครมาบอกอาจาครับแต่การรู้เฉยๆหรือสักแต่ว่ารู้ครับอาจารย์มันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนแปลกในสายตาของคนรอบข้างเพราะว่าเหมือนกับเราไม่สนใจอะไรใครจะทำาไปก็เรื่องของเ้าไม่แปลกล เ, ปเป็นคนพิเศษพระพุทธเจ้าสักแต่ว่ารู้แปลกตรงไหน <c oughs> เพราะอาหารนี่แปลกตรงไหน คนรอบข้างเขาจะมองว่าเป็นคนแปลกกว่าคนอื่นเขาครับเขาใช่เลยเพราะก็เป็นคนวิเศษแล้ก็ต้องแปลกของเขาเลยใช่ไหมว่าเจ้าทัตที่องค์จงกลัดว่าเธอจงมองโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่านั้นเองมันไม่มีอะไรไงอมันไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมันเป็นดินน้ําลมไฟเธอไปมองว่าเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่เป็นตัวเราเป็นของเรามันว่างจากสมมติทั้งหมด มันสักแต่ว่าดินก็สักแต่ว่าดินน้ําก็สักแต่ว่าน้าดินเราไม่ต้องไปว่ามันเป็นดินแ่ะมันก็เป็นดินของมันอยู่อย่างงั้นแหละน้ํามันก็เป็นน้าของมันอยู่อย่างนั้นเป็นแต่ว่าเราเราคุยกันก็ต้องพูดให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราไปยุ่งกับดินน้ํำลมไฟหรือเปล่าน้ำทะเลเราไปยุ่งกับมันหรือเปล่าแสงอาทิตย์เราไปยุ่งกับมันหรือเปล่าเราก็สักแต่รู้ไปเฉยๆรู้ว่าเป็นน้ํารู้ว่าเป็นดิน ก็เท่านั้นลมพัดแล้วก็รูวมันพัดไปท่านเหม็นไปทุกข์กับมันเลยใช่ไหมเหม็นไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอมารวมกันเป็นรูปร่างหน้าตาขึ้นมายุ่งกับมันแล้วสิอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วสิอก็เท่านั้นแหละยังไม่เห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟอยู่ยังเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่อยู่เป็นลูกอยู่พอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วสิใช่เอม การการส่งเคาะ์โลกของหลวงตาครับอาจารย์ท่านส่งเคาะ์เฉยๆนะใช่ไหมครับโดยที่ท่านจะไม่เข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ท่านช่วยเหลือท่านมีปัจจัยเหตุผลเท่านั้นเองการช่วยเหลือใจเหตุช่วยผลว่าจําเป็นจะต้องช่วยเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรควรช่วยหรือไม่ควรช่วยอย่างไรนั่นจะใช่เหตุผลแต่จะไม่มีความดีใจเสียใจกับการช่วยเหลือนั้นช่วยไปแล้วคนไม่ได้ไปทําตามที่ท่าน ช่วยเหลือท่านก็ไม่เสียใจช่วยไปเล่กากรรมกัดท่านท่านก็ไม่เดือดร้อนอคือท่านไม่ได้หวังอะไรจากการช่วยเหลือใครเป็นการทําไปตามเหตุตามผลท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยอย่างพระพุทธเจ้าไม่เสียใจกับพระเทวทัตอุตสา์บวชกับพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วก็มากัดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกอะไร ไม่มีความเสีย อ, อกเสียใจแต่กลับมีความสงสารมีความเมตตาให้อภัยไม่ตอบโต้ถ้าจะตอบโต้กับเทวทัตนี่เทวทัตตายไปนานแล้วกิจธิริศของพระพุทธเจ้านี้มากมายขนาดไหน <Yeah. S 1> เพียงวาจาเพียงคําเดียวว่าคนนี้ไม่ดีมันจะฆ่าเราเดี๋ยวคนอื่นก็มาจัดการให้แล้วล่ะท่านก็ไม่พูดเนี่ยท่านท่านปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมของท่าน เคยมีเวรมีกรรมกันมาก็ปล่อยมันไปท่านไม่ใจท่านเป็นอุเบกขาศักแต่ว่ารู้อยู่อย่างเดียว <c oughs> แต่พวกเราไม่ใช่อย่างนั้นถ้าช่วยเหลือใครแล้วก็มากัดเราเนี่ยโอ้โหโมโหโทโสขึ้นมาทันที <c oughs> เสียอกเสียใจขึ้นมาทันที <c oughs> เพราะเรายังมีความโลภความอยากอยู่ อยากให้คนที่ช่วยเหลือเราดีกับเราสำนนกในบุญคุณตอบแทนบุญคุณแต่การกระทำของผู้ที่ไม่มีความหิวความอยากแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วว่ามา ด, ดังนั้นเนี่ยหากคนที่เราจะช่วยเหลือเนี่ยเขาทุกข์มากเข า, าทุกข์มากโศกเศร้ามากเนี่ย เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตามเศร้าไปกับเขาใช่ไหมครับเราแค่ช่วยเหลือ <c oughs> เฉยๆเราะถ้าเศร้าไปกับเขาเราก็จะสร้างอกุศลจิตให้เกิดกับตัวเราได้เลยคุณไม่เศร้าทำไมล่ะมันไม่ใช่เรื่องของคุณนั่นเองสงสารครับด้วยความสง <c oughs> สารเราก็ต้องไม่เศร้าไปกับเขาสงสารก็สงสารเสียเศร้าก็เศร้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันเนี่ยใช่ไหมสงสารก็คือเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะให้ให้เขาหลุดพ้นจากการทุกข์ พระเจาก็สงสารพวกเราถึงอุตจาห์สั่งสอนพวกเราให้ปฏิบัติทำกันแต่ท่านไม่มาเศร้าโศกเสียใจกับความทุกข์ของเราถ้าไม่มีอารมณ์บอกล่าท่านหมดแล้วยจิตของท่านว่างแล้วบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วเอาแล้ ว, ลวนเนียคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกคนบำเพ็ญปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญในธรรม ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ <c oughs> <c oughs>